أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا ل ح, ح إن م د لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرول أنفسنا ومن سيات أعمالنا ما ي ه د ه الله فلا مدل له وما ي د ل ه ي ل د د د ه فلا هدي له اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد ا ل رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين و ا ش ه د أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أما بق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد قال الله تعالى في كتاب الكريم بارأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلقد تحمل عقبا وما أدرى تملع قبا فق رقبا أو إطعام في يوم ذي م ص ر ب ب ي ت ي من ذا مقربة أو مسكينا ذا م ت ر ب ة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشعة عليهم نار مصده فينطلقين خب ف الله سبحانه وتعالى بسونغ سونغ بسونغ بسونغ ينعيه نعم الله سبحانه و ت ع ا ل ن ชีวิตของมุสลิมแล้วก็ทางเลือกของพวกเราที่ว่าเรานั้นต้องยอมรับที่จะเผชิญกับความยากลำบากในขณะเดียวกันพวกว่าก็บอกให้รู้ว่าความยากลาบากที่เนี่ยไม่ได้มีแค่มุสลิมนะที่เลือกบนโลกนี้มีคนที่ทำดีมากมายมีคนให้ความช่วยเหลือผู้อื่นมีคนพยายามที่จะปล่อยท่าเวลาที่เขาเจอมีคนที่ว่าให้อาหารกับคนที่เดือดร้อนคนที่ขัดสนมีคนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพ้า นี่นอครับคนดีๆบนโลกนี้มีมากมายแต่ว่าสำหรับโรลสุบฮาหนงวาตาอาแล้วความดีนั้นมีสองแบบดีที่จบในดุนยากับดีที่ยาวไปถึงอาเกร์ในยักกุรานครับถ้าพี่น้องดูนะครับในอายะที่17บุมนะแกนะมีเนรเดีนะอามาหนุหลังจากนั้นคาว่าซุ่มมาแปลว่าหลังจากนั้น ปกติเมื่อพูดเขาว่าหลังจากนั้นก็ต้องเป็นกิริยาที่มาทีหลังถูกไหมครับอย่างเช่นเราบอกว่าเนี่ยเรากินข้าวนะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปกันต่อคําว่าหลังจากนั้นจะใช้บอกว่าสิ่งที่จะเกิดหลังจากสิ่งนี้ถูกไหมครับแต่ในยกกวานี้สมมติที่พูดว่าใช้ครับหลังจากที่พวดเราบอกว่าทางเดินที่เป็นการปีนชังวั่นผาเนี่ยที่ยากลําบากเนี่ยคือการปล่อยาธาตุนะคือการให้อาหารในวันที่ แรงแข็งนะคือการให้ความช่วยเหลือ เ, เด็กกำพร้าคือการให้ความช่วยเหลือกับคนขัดสนหลังจากนั้นเขาก็ได้เป็นผู้ที่ศรัทธามาแล้วคำว่าหลังจากนั้นในที่นี้ใช้กับสิ่งที่อยู่ก่อนหน้านั้นใช้กับสิ่งที่อยู่ก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นเขาต้องเป็นผู้ที่ศรัทธามาก่อนก็เป็นการปฏิเสธให้รู้เลยว่าความดีทั้งหมดที่มันเป็นความดีที่อัลลอ์รัก การให้หาาคนยากจะรอรักไหมอัลลอ์รักช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนอัลลอ์รักไหมอัลลอ์รักให้การช่วยเหลือดิกลมพารักไหมัลรักปล่อยแาทยอัลลอ์รักไหมอัลลอ์รักแต่จะคบเงื่อไขให้อัลลอ์ตอบรับ ให้พวกนั้นตอบแทนทั้งดุนยาแล้วก็อาเคาียรอผู้รับบอกว่าก่อนหน้านั้นเลยที่จะทําความดีทั้งหมดอย่างในั้นไขรที่สําคัญที่สุดคือเขาต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วเท่านั้นก็อย่างที่คุยกันในครั้งก่อนนะครับใครก็ตามทําความดีในดุนยาเอาล้อตอบแทนหมดเลยต่อให้คุณจะไม่ได้ทําเพื่ออับะักก็ตามต่อให้จะนับถือศาสนาได้ ก, ก็ตามถ้าใครที่ทําความดีใครที่ช่วยเหลือผู้อื่นคนที่ว่าหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับคนอื่น ด้วยกับความรู้สึกดีๆเอาล้อตอบแทนให้เขาในดุนยาแน่นอนไม่เกี่ยวว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนี่คือพระลอสุบานหังวัวตาลาผู้ซึ่งทรงตอบแทนคนที่ทำความดี อ, อ, อัลอัลอบทาดคือคนที่ว่าถูกควบคุมชีวิตไม่สามารถทำอะไรได้ต้องทำตามที่เจ้านายสัง่งเจ ส่วนแบบแกนิเมเนลจีน่าอามาูพี่น้ี่รครับในอัลกุรอานนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูนะครับผมปกติในอัลกุรอานเวลาเราเจอคําว่าอามานูสิ่งที่ตามมาคือคําว่าอะไรครับวาอัลมิลุสซอริฮัดใช่ไหมครับผมนิเมเนลจีนาอามานูวาอัมิลุสซอริฮัดในกุรอานจะมีเยอะมากผู้ที่ศรัทธาแล้วเขาก็ได้ทําความดีปกติคําว่าการศรัทธาต้องมาก่อนการทําความดีแต่ในอัลกุรอานนี้พวกเล่าการทําความดีมาก่อนการศรัทธา หนึ่งในฮิกม้ว่าเราว่าเราเมื่อเราเท่านที่รู้ก็คือตอนแรกเนี่ยพวอเราพูดถึงผู้ไปเสียศรัทธาอัลลอฮ์พูดถึงคนที่ว่าเขาเลือกที่จะโอ้วดเขาไม่เลือกหนทางที่ดีงามเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าอะไรคือหนทางที่ดีงามเมื่อบอกปุ๊บทั้งหมดคือสิ่งที่คนยอมรับได้เพออัลลอฮ์ก็บอกว่าแต่เงื่อนไขก่อนที่จะทำสิ่งที่ดีงามเหล่านั้นคุณต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก่อนเพราะฉะนั้นเคลียร์ซูมะแกนไม่ลดีนะอหม่มต้องศรัทธาแล้วไม่ใช่ว่ากําลัง จะหรือจะศรัทธาต้องศรัทธาแล้วซึ่งคําว่าศรัทธาในภาษาอังกฤษที่เรารู้ครับมีคำว่าอามาโนกับอัลสลามูถูกไหมครับอัสลามหรือว่ามุสลิมนะครับคือผู้ที่ยอมจนอนํานนพวกเราที่เรามุสลิมคือผู้ที่ยอมจนอนํานนอยู่ภายใต้กรอบอยู่ภายใต้กฎหมายของเรามุสลิมคือผู้ที่มอบความปลอดภัยให้กับผู้อื่นแต่คนที่มอบความปลอดภัยให้ผู้อื่น หรือคนที่ยอมจำนวนในกฎของล็อคอาจจะไม่ได้ศรัทธาต่อล็อคก็ได้เช่นครับอย่างอาล์ดจนตินมม่าหรือว่าใครก็ตามที่มาอยู่ในกรอบมาอยู่ในกฎของอิสลามบาทีก็ต้องอยู่ตามกฎอย่างคนบางคนเดินทางไปประเทศที่ว่าปกครองโดยระบบอิสลามจะเป็นแคาต้าที่เป็นซาอุเป็นอะไรก็ตามที่ไหนก็ตามที่ปกครองด้วยระบบอิสลามเขาก็อยู่ภายใต้กรอบ เราจะไม่เรียกเขาว่าเป็นมุมินถูกไหมครับจนกว่าเขาจะศรัทธาก่อนในยกกุรานครับพระบอสสุบฮานหัวจาราได้พูดไว้นะครับว่าใน Surah Qur'an ข้อที่สิบสีก <ت ص في ق> ล่วาวทีลอักรบอาคุ ل م ت ؤ า ن ولكن كرء ิ س و ل في كرء ب ك ن ت <ص في ق> ت ล الله ม ر س و ل ه لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله قافر رحيم พระองคได้บอกไว้ครับว่าได้มีอาลั ชนบทอาหรับชนบทคือศัพท์ที่พูดเกี่ยวกับคนอาหรับจะมีสามคำจะมีออารรอบียยุนก็คือคนอาหรับมีอารรอบีอารอบีก็คืออาหรับที่ว่าอยู่ชานเมืองอยู่ไกลนิดหนึงแล้วก็จะมีเบดูย์คนที่ว่าเป็นเบดูย์นะครับคนอาหรับที่ว่าเดินทางแบบเริร่ลอนไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางฟูร์บอกบอกครับว่ามีครั้งหนึ่งนะมีอาหรับที่ว่าอยู่ นอกชาญเมืองได้มาหาท่านอบดุลเบีมมูฮัมหมัดสุลัยสลัมแล้วก็บอกว่ามูฮัมหมัดเราศรัทธาต่อร้อยแล้วอามันน่ะเราศรัทธาแล้วเพราะเราบอกว่าไงครับอย่าเพิ่งพูดว่าศรัทธาแล้วถ้าเพิ่งมาเนี่ยยังไม่มีใจคุณเพียงแต่บอกว่าอยากจะยอมจำนนอยากอยู่ภายใต้กรอบเนี่ยให้บอกว่าอัสลัมนาก่อนให้บอกว่าเร า, <promotions> ายอมจำนวนแล้วเพราะฉะนคามุสลิมจะเป็นคัดด้วยใช้พูดกว้างๆครอบคลุมคนทุก คนที่ว่าเข้ามาอยู่ภายใต้กรอบคําสอนของอิสลามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าเขาเข้ามาด้วยกับหัวใจที่รักอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์กลัวอลัลลอฮ์อย่างแท้จริงเราจะเรียกเขาว่าเป็นมุสมินผู้ที่ศรัทธาแล้วเหนือกว่ามุสมิมที่เราทราบก็คือคําว่ามุซินมุซินก็คือคนที่ดํารงตนไว้ด้วยการกระทําดีอย่างเดียวเท่านั้นเลยทำความดีล้วนๆเลยเเเะะก็จะเป็นมุซินเพอระดับขั้นก็จะเป็นมุสลิมมุสลิน แล้วก็มูสินก็ขอดโดยจากพก ร, าหาหระลอสูตรพระนามวาตาลาให้พวกเรานั้นได้บรรลุถึงระดับขั้นเอียสานการทําความดีโดยที่เหมือนกับว่าเราเห็นอัลลอฮ์ตลอดเวลาแล้วเราก็รู้ว่าต่อให้เราไม่เห็นพระองค์ในดุนย์ยพระลอร์นั้นมองเราตลอดเวลานั่นคือระดับขั้นสูงสุดของความศรัทธาระดับขั้นสูง ส, สุดของความศรัทธาแล้วต่ําสุดของความศรัทธาคืออะไรครับ ต่ำสุดของความศรัท ธ, ธาคืออะไรเป็นนี้น่าสนใจครับพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินฮัตดดติที่พูดถึงความสูงสุดของศรัท ธ, ธาแล้วก็ต่ำสุดของศรัท ธ, ธาใช่ไหมครับที่ท่านาบีมอมอสโอลลอยัรรได้บอกว่าการศรัท ธ, ธานั้นมีอยู่เจกว่าแขนงขั้นต่ำสุดของการศรัท ธ, ธาคือการที่คุณเอาอันตรายออกไปจากถนน มันแปลว่าอะไรเราลองมานั่งคิดน้วหนึ่งขั้นต่ําสุดของการศรัทธาแปลว่าถ้าต่ากว่านี้ไม่มีความศรัทธานะไม่เช่ไม่ใช่ผู้ศรัทธานะนาย บ, บีบอกว่าเกณฑ์มินิมั่มอะครับถ้าคุณจะเป็นผู้ศรัทธาได้ขั้นต่ําสุดเวลาคุณเจอขยะบนพื้นถนนคุณก็ต้องกําจัดสิ่งที่มันจะเป็นอันตรายคุณกลัวคุณอาจจะยุคปัจจุบันบางทีเราอาจจะเจอกระป๋องน้ำหมัดลมซึ่งเราคิดว่าเราจอดรถได้มันปลอดภัยเราเกิดความ กลัวว่าคนอื่นเขามาเจอจะเกิดอุบัติเหตุไหมหมายความว่าขั้นต่ำสุดของการเป็นผู้ศรัทธาคือการที่คุณต้องเห็นอกเห็นใจผู้อื่นต่อให้เขาไม่ใช่มุสลิมก็ตามนี่คือหัวใจของผู้ศรัทธาที่แท้จริงครับผมถูกไหมล่ะครับพี่น้องว่าทำไมผู้ศรัทธาถึงเอาขยะออกไปจากถนนเพราะเขาก็ต้องเป็นห่วงคนอื่นถูกไหมครับก็ห่วงไว้ไง เออเนี่ยฉันฉนลอดอะทำดีแล้วแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยฉลาดรึเปล่าฉันก็ไม่รู้มันมีเศษใหญ่อยู่บนถนนเนี่ยบางทีขับรถมาเดี๋ยวอันตรายเกิดอุบัติเหตุฉันกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเกิดความเป็นห่วงคนที่เราไม่รู้จักเพื่อเอาวะอันนี้แหละท่านอาบีแบอบกว่าคือการศรัทธาขั้นต่ำที่สุดนะคุณต้องมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่คนที่คุณไม่รู้จักด้วย นี่คือขั้นต่าสุด ข, ของการ إ ي م านเพราะฉะนั้นนะครับชาว อ, อ า, ห ร, ห, าหรับเล่าล่าที่มหาท่านอับดุมฮัมมัดสุลต่านฮะเลวิสซัลลัมแล้วเขาก็บอกว่าไงครับตอนนี้เราศรัทธาแล้วเพราว่าบอกว่าคุณอย่าเพิ่งใช้คํานี้ให้ใช้ว่าคุณยอมจำนนแล้วคุณยอมรับอิสลามแล้วเพราะอะไรครับเพราะการศรัทธามันยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจเพราะศรัทธาเริ่มต้นที่หัวใจหัวใจอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ เริ่มที่หัวใจออกมาที่ลิ้นออกมาที่คำพูดแล้วก็ออกมาที่พฤติกรรมอันนี้คือการศรัทธาที่สมบูรณ์แต่จุดเริ่มต้นต้องมีใจก่อนถ้ามีแค่ลิ้นมีแค่พูดดีไม่ได้เนยดเพื่ออัลลัคก็ไม่ได้บุญถ้ามีการงานดีๆแต่ไม่ได้มีหัวใจศรัทธาตอ่อละมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วถ้ามีแต่ความศรัทธาในใจแต่ไม่มีพฤติกรรมมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นทุกอย่าง เกี่ยวเนื่องหมดเลยถ้าเราบอกเราเป็นผู้ศรัทธาหนึ่งในการที่เราจะตรวจสอบตัวเองง่ายๆนะพี่น้องพี่น้องเคยรู้สึกเป็นห่วงหรือว่าแคร์คนอื่นที่เราไม่รู้จักไหมถ้าพี่น้องรู้สึกอย่างนั้นอ่ะทำไดนั่นคือขั้นต่ำสุดของการศรัทธาอิมาตตุลอาเดาอานิตติริกการเอาอันตรายที่อยู่บนท้องถวนเนี่ยเอาออกไปเพราะนั้นขั้นต่สุดดีออจ ครับลูกสาวผมถามนะครับใช้คําว่าขั้นต่ําสุดแต่แปลว่าดีไหมก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่แบบว่าอย่างน้อยที่สุดทิ้งสินจะทําได้ถ้าทําไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นผู้แสดงอีกที่อเมื่อใช้ใจเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับ่ก็มีบทหลานก็พยายามสอนเขาว่าเราก็ต้องเป็นห่วงก่็ต้องแคร์คนอื่นอย่างบางทีถ้าเกิดมันมีเรื่องของสิทธิ บางทีเดาต้องคำนึงถึงเรื่องของผู้อื่นแล้วก็ไม่ตาผู้อื่นอย่าลืมนะครับคนคนหนึงได้เข้าสนอนเพราะเอาน้ําให้สุนนะัขก็คือแครสิ่งมีชีวิตมัครุุลที่อลัลลอฮ์สร้างนี่คือขั้นตับสุดไปอมันแล้วกลับมาดูในยักุรานอิสลามอิสลาอิสลอยะที่สินะครับผมทีพยเล่าบอกว่าเพราะการศรัทธายังไม่เข้าไปในหัวใจของคุณกุณรานใช้ควาว่าวลัมมามันยังไม่เข้าไปแต่ว่ามีโอกาสเข้ามีโอกาสเข้า แต่ว่ามีโอกาสเข้าแต่ว่าตอนเนี่ยมันยังไม่เข้าเฉยๆพวกเราไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ศรัทธาพวกเราเพิณแต่บอกว่าตอนเนี่ยยังไม่ศรัทธาให้บอกว่าอัสลามนาก่อนว่าอินตูตีอุลฮะวรซูลและหูเมื่อไหรก็ตามที่คุณเชื่อฟังทุกคําสั่งของอัลลอฮ์กับคําสั่งของระซูลอย่างน้อยต่อให้คุณทําไม่ได้คุณก็ต้องเชื่อว่านี่แหละคือคําสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของระซูลเป็นสิ่งที่เราต้องทําแต่เรายังแค่ทําไม่ได้อย่างน้อยสุดต้องคิดแบบนี้ เพราะว่าบอกว่าครับหากคุณเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอสูลอะไรก็ตามที่คุณทําจะไม่ขาดทุนจะไม่สูญเปล่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ภัยผู้ทรงเมตาตาแปลว่าคนเราบอกเงื่อนไขว่าไงครับต้องเชื่ออัลลต้องเชื่อรอสูลในาการงานถึงจะไม่สูญเปล่าความหมายกลับกันถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อรอสูลจะทําความดี ม, มหาศาลแค่ไหนก็ตามไรค่ะ อะไรค่ะสำหรับพวกล้อสุบฮานวัวตาลาคือโลอาชรอเขาจะไม่ได้อะไรเลยนี่คือมุมมองที่มิสซิมต้องมองนะครับหลายครั้งมิสซิมเราบอกว่าคนนั้นดีคนนี้ดีคนนู้นดีเราไปชมชอบใครก็ตามแต่อย่าลืมว่าคนที่เราควรจะชมชอบอย่างแท้จริงต้องเป็นคนที่รู้จักบญคุณของล้อยอมรับเอาล่ะก่อนอันนี้คือผมต้องใช้คําว่าวิกฤตของผู้ศรัทธานะครับผมวิกฤตของผู้ศรัทธาเพราะผู้ศรัทธาปัจจุบันเราจะพบว่าไงครับบางทีเราไปหลงไหลได้เพ้ม คนดีๆที่เขาในเราคุณต่ออววะเขาดีในส่วนปลายแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดเขาไม่ดีก็ต้องพยายามเตอรลูกเตอนหลานบอกลูกบอกหลานแล้วก็บอกความคิดในมองมุสีนี่แท้จริงว่าเราควรจะมองอะไรอย่างไงใครทำดีแล้วบอกเขาทำความดีแต่จะเป็นความดีที่ถึงไอเชียร์หรือไม่ความดีที่อววรับหรือไม่ต้องเป็นความดีที่ทำเพื่อพู้อววะครับผม ครับคุณนัทนะครับ Pf สลามมากสลามตอนบประกาศตู้คุณจำปาตหลังครับบอกรดีแล้วจ้ะก็จะจากคุณัทขครับผมคุณลูกนรุณนะครับสลามเต็มเมแล้วก็บอกดีแล้วมาก็อยกสลามตอบระกาครับกดแชร์กดไลค์กดโพสให้แล้วนะจ๊ะจาจากกินลาวขำครับผมขอบคุณมากๆครับผมสามวักนี่ผมไม่เจอไมรู้สึกขาดอะไรเนาะเสียงชัดเจนมาชาวล้อแล้วก็ขอดุดอาครับผมขอดุดอาเช่นเดียวกันครับผม เมื่อไหรทักทายมาผมยังไม่ได้คุยอีกเมื่อกี้เหมือนกับผมเห็นเด็กชายบรารักัตทีหนึ่งอ่านไงอากาศอื่นครับพิ ส, สมาสลามาวายคุณสลามอัลตุลบอาาตุเช่นเดียวกับกุนนะสะอาดานะครับก็สลามาก็วยุสลามอัลตุลอบบารกาตุแล้วก็ไปเะสลามอมนี่วันนี้ครับวาคุณสลามอัลตุล้อบบาโราตุครับอดชายบรารักัตสลามาเต็มเต็มพิมพ์อารับด้วยบอกว่ากรุงเทพเชัดเจียนครับวายคุณสลามอัลตุล้่บบาโราตุนั่นหนุ่มน้อย เราไม่ได้ทักทายกันนานนานเนาะอ้าวคุณแม่คุณลูกคุยกันครับบอกว่ามาชาวรถบรักว่าฟีแค่ครับลูกชายครับก็แม่ลูกรักกันอลัมดีแล้วโตมาต้องเป็นคนดีเป็นลูกดีกับแม่ด้วยนะอย่าลืมดูแลท่านดีๆล่ะเป็นอมานะ น, นะตายิบมุงจินต์ตันฟุตก็จะมาม่เอาแ้วั่นประเนตาจาาะไหมนะครับกลับมาคุยกันต่อนั้น ในเรื่องของการเป็นผู้ศรัทธาในการเรื่องของการเป็นผู้ยอมจำนนมุสลิมเราต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนก็ปแปลว่าเราก็มาตรจสอบเิงได้ลเราเป็นผู้ยอมจำนนหรือเราเป็นผู้ที่ศรัทธาถ้าผู้ที่ศรัทธาอย่างที่บอกขั้นต่ำสุดก็ต้องมีความรู้สึกแคร์คนอื่นด้วยตีตาขาฟีนต่ย่าเพิ่งกินต่ละมีนะวันนี้นะโอเคครับที่นี่ครับพี่น้อง สมคันะมิะ่นั้นที่น่าอัมวะทว่าศบิสซาบวะทวูารา س ب ح ا ن ละต้งนีะัประเด็นที่สำคัญตามมาละหลังจากที่ว่าเขาต้องทำความดีหนึ่งสองสาสี่ที่มันล่บอกไว้แล้วเขาบอกว่หลังจากนั้นพวกเขาต้องเป็นผู้ที่ศรัทธามาก่อนวะทวะ่าศูบิสซาบร a t ะทวะ่าศูบิลมาหมาหลังจากนั้นเขาต้องมีการ สั่งเสียกันในเรื่องความอดทนแล้วก็สั่งเสียกันในเรื่องของความเมตตาสุบานอัลลอฮ์พี่น้องถ้าเรามาดูสำนวนในที่เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าถ้าเป็นผู้ศรัทธาก็ต้องรู้จักขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ใช่เหรอมันควรจะเป็นสำนวน ว, นว่าซุลมะแกน่มิลลดีนาอามมนุวะตะวะซ า, าบิลฮัมดีหรือวะตะวะซ า, าบิลชูกรีนั่นจะเป็นการสักเสียตักเตือนว่าต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากนะ พี่นองบอกคนที่ด่วน่นี้หล่ะเพราะเมื่อไเราต้องขอบคุณละตลอดเวลาใช่ไหมครับดีก็ขอบคุณ a l ะ a h เจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ขอบคุณ Allah แต่ในยักุรานี้ผู้ละใช้คําว่าเขาต้องเป็นผู้ที่ศรัทธา ม, มาก่อนแล้วเขาต้องมีการสั่งเสียกันในเรื่องความอดทนพี่น้องคิดว่าเพราะอะไรครับเพราะกา ร, รเผชิญหน้ากับ ทดสอบความยากลําบากนั้นมันเหนื่อยยิ่งกว่ากา ร, รเผชิญหน้ากับความสะดวกสบายถูกไหมครับเราขอบคุณเลยว่าในเรื่องไหนเรื่องที่เราชอบหลักๆถูกไหมครับหลักๆจะขอบคุณลอดในเรื่องที่เราสบายเรื่องที่รู้สึกดีซึ่งเป็นบททดสอบซึ่งมันไม่ได้หนักหนาสําหรับเราแต่บททดสอบของชีวิตมันมีด้านที่หนักกับด้านที่เบาด้านที่เราชอบกับด้านที่เราไม่ชอบพี่น้องว่าอะไรเยอะกว่ากัน พี่น้องว่าไหนเยอะกว่ากันอะไรดีๆเนะี่ยแป๊บเดียวมันก็ลืมจริงๆความสุขน่าจะเยอะกว่าแต่เราจะพบในดุลยาพี่น้องดูไปนะครับในสังคมเราจะพบว่ามีคนที่ชีวิตเขาทุกข์มากกว่าสุขเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยทรมานอยากได้เงินต้องทํางาน8ดชั่วโมงสิบชั่วโมงทุกไหมทุกเป็น8ดชั่วโมง10บชั่วโมงสุขไม่กี่นาทีพเพลเรือนราชการบางท่านจึงบอกกันว่าในยักษ์านเนี่ย หลังจากที่บอกว่าต้องทำการปีนชะน้นผาด้วยกับการทำความดีที่มันยากลำบากทั้งหมดการจะผ่านความยากลำบากทั้งหมดเนี่ยต้องศรัทธาแล้วต้องอดทนแล้วความอดทนเป็นอะไรที่มันหมดไวมากๆพี่น้องเห็นด้วยไหมคือบางทีเราทนบางคนพี่น้องสังเกตไหมคนเรายิ่งอายุเยอะนะ่อยยิ่งขี้บน่นความอดทนยิ่งน้อยลง พราะชีวิตเขาทนอะไรมาเยอะทนทนทนแล้วมันไม่อยากทนแล้วมันรู้สึกทําไมฉันต้องทนไม่งั้นบางคนไม่มีคําพูดที่บอกมนุษย์ปลุงมนุษย์ป้าถูกไหมครับทําไมล่ะตอนเด็กเขายังทนได้ตอนเด็กยันทนไม่เยอะไงพอเตอิโตมาเรื่องที่ต้องทนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นผลสลายไม่อยากทนเพราะฉะนั้นครับในยักกวาดใช้คาว่าว่าต so ัวโซบิสซับต้องมีการเตือนกัน พอเรื่องอดทนบางทีเราฉุนใช่ไหมบางทีเราสติขาดบางทีเราทนไม่ไหวถ้ามีเพื่อนดีๆเขาจะเตือนกันถูกไหมครับคือผู้ศรัทธาไม่ใช่อาแค่ตัวเองนอดผู้ศรัทธาพอเห็นพี่น้องของเขากําลังจะสติแต่กําลังท้อกําลังเศร้ากําลังทุกข์กำลังรู้สึกไม่ดีเขาจะไปให้กําลังใจไปเติมเต็มกันตอนนี้คุณไม่สบายใจใช่ไหมฉันตอบคุณ อ่านมาอีกอาทิตหนึง่งฉันอาจจะไม่สบายใจคุณก็ช่วยปลอบฉันด้วยเวลาปลอบก็ปลอบว่าไงครับอดทนนะเอาลอตทดสอบการสูญเสียนี้จะได้ผลบุญนะเดี๋ยวอลัลลอฮ์จะให้ในโลกอาคีารอนะในดุลย์าในเรื่องนี้ก็น่าจะได้ด้วยนะอดทนไว้อดทนไว้มันเป็นการให้กำลังใจทุกคนผมมั่นใจว่าน่าจะทุกคนครับเราต้องผ่านจุดที่มันแย่มากๆที่ว่าพอมีคนมาให้กาลังใจพอมีคนมาเตือนสติ เราสุกคิจได้เรารู้สึกตัวแล้วเอ๊ะฉันฉันเป็นอะไรมาเนี่ยเออเนาะฉันน่าจะอดทนเออเนาะฉันต้องอย่าง น, นฉันต้องอย่างนี้นี่คือผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเราอยู่กันตานเราพังไม่ได้ครับเพราะอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันเหนื่อยเดี๋ยวมันทอยิ่งตอนพี่ดองรู้สึกหดหู่มากๆไม่อยากจะพบเจอหน้าใครอะ่ะยิ่งเป็นช่วงอันตรายที่สุดช่วงนั้นแหละยิ่งจําเป็นต้องมี คนเข้ามาตอบคนเข้ามาคอยรับฟังคนเข้ามาคอยให้ความช่วยเหลือและนี่คือขั้นต่ําสุดของการศรัทธาที่เราพูดถึงถูกไหมเพราะฉะนั้นคําว่าวาตวาซาบิซอฟจึงเกี่ยวพันกับคําว่าซุ น, ม, น, ลลนามาแกนามเนลารีนาอาโมนูหลังจากนั้นเขาเป็นผู้ที่ศรัทธามาแล้วแล้วเขาก็พยายามเตือนให้มีความอดทนเพราะพี่น้องสังเกตดูสังคมของคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนะี่ยการเตือนให้ทนเนี่ยน้อยถ้าจะเตือนให้ทนก็เตือนแค่ลูก ส่วนใหญ่ยุครับเนีย่ยจะไปทนทําไมเนี่ยต่อยมาเลยเนีย่ยจะไปทน ท, ทนําไมทำอย่างนี้ทําอย่างนี้สิเดต้องเี็กร้องสิทธิสิจะไม่ไปยับไปยอมมันนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ศรัทธาไม่ใช่ผู้ศรัทธาเราจะดูว่าเรื่องนั้นอะไรผลประโยชน์มากกว่าการอะไรผลเสียเป็นยังไงเราจะมีการชั่งน้าหนักจริงๆแล้วเราจะคิดว่าอันไหนที่อัลลอฮ์รักเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นต้องมีสติจะมีสติได้ต้องอดทนให้ได้ก่อนพะเมื่อไหร่ที่ไม่อดทนแล้วสติจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นซุมนะ เป็นคนที่อ่านแล้ววันนี้บอกว่าอาจารย์มีบริการด้วยนะครับตอนี้บริการน็อกไปแล้วนะครับผมน็อกอยู่ข้างๆเนี่แหละครับอ่ะมาคุยกันต่อครับในเรื่องของซอพี่น้องที่รักท่านบีอัลลามบอกวอุ้มาซาลูนมารฟะนฮานิลฟะช ประชาชาติที่ดีที่สุดนั้นคือประชาชาติที่เขาต้องพยายามมีการเตือนกันในเรื่องความดีแล้วก็ห้ามกันในเรื่องที่ไม่ดีสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เตือนกันยากแม้แต่ในแวดวงมุสลิมเองพี่น้องเห็นด้วยไหมคือเราไปเตือนเขาเนี่ยมันง่ายแต่พอเขามาเตือนเรามันมันบางทีมันรับไม่ได้บางทีมันไม่ชอบบางทีมันเลือกขึ้นหน้ามันเป็นสังคมที่เตือนกันไม่ค่อยได้ บางทีพอจะเตือนผู้ป อ, อกแก่ดีนะเกิดมาเตือนชั้นหรืแกก็อย่างงั้นแกก็อย่างนี้เอาไปขุดเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาคุยต่อบางทีก็ด่าว่าบางทีก็ทะเลาะบางทีคุยเรื่องดีๆกับกลายเป็นมองหน้ากันไม่ติดอันนี้ไม่ใช่ผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาต้องเป็นคนที่ว่าโน้มรับคําตัดเตือนบรรดาผู้รู้ปาอาอ ว, วิสโสรับเวลาเขาเจอกันเขาบอกว่าไงครับคุยเมื่ อ, อไรจะเตือนฉันไหมแตสนสานีใช่ตะ ม, มูลดิธใช่ เวลาเชคครูบาอาจารย์หลายๆท่านเวลาที่ผมเจอที่ผมเรียนกับท่านนะครับพอสลามพูดคุยกันเสร็จสลามจับมือเขาก็จะถามว่ามีอะไรจะเตือนฉันไหมอันนี้คือระดับผู้รู้คุยกับลูกศิษย์มีอะไรเตือนฉันไหมมีอะไรก็พูดนะสั่งเสียได้เลยนะบางทีคิดอะไรไม่ออกผมบางทีตอบสั้นๆนะ่ะประโยคคลาสสิกอะไรกุ้บิดตะควาเลยอาจารย์ก็ตะควาต่เราเยอะๆนะบางทีอาจารย์สัน่นอาจารย์ขอบคุณอาจารย์รู้สึกดีผมแบบ นี่คือหัวใจของผู้ศรัทธาเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์สิ่งที่สกรปรกจะไม่ยอมรับการตักเตือนครับเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกหยามนั่นแหละคือจิตใจที่สกรปรกพี่น้องขอให้รู้เลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถยอมรับการเตือนได้แปลว่าหัวใจเราสกรปรกแล้วเพราะหัวใจที่สะอาดเขาจะรักความสะอาดถ้าเป็นการตักเตือนให้เขาดียิ่งขึ้นเขาจะยิ่งพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าเราไปเตือนเขาว่า ตักวาต่อรอนะเขาพูดสวนมาฉันนจะตักว่าอยู่แล้วแต่แกนเนี่ยไม่ตักวา่าอันนี้ไม่มีทางเกิดประโยชน์ไม่มีทางเกิดประโยชน์เ พ, พื่อนผู้ศรัทธาครับต้องเตือนกันได้แล้วต้องพยายามเตือนกันต้องไม่เชื่อว่าคุณเป็นใครมาเตือนฉันหรือว่อะไรก็ตามแต่ที่ว่าสังคมปัจจุบันมักจะพูดกันพี่น้องที่รักครับอย่างที่บอกนะครับว่าบททดสอบด้วยกับสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ย มันหนักกว่าบททดสอบในสิ่งที่เราชอบเพรา ะ, ะนั้นชีวิตมันต้องทนทนสารพัดทนที่จะเป็นผู้ศรัทธาทนที่จะทําตามที่เราสั่งใช้ทนที่จะฝ่าฝืนใจตนเองทนที่ว่าจะต้องละทิ้งอารมณ์ไฝตามมันทนเกือบทุกเรื่องเลยตลอดชีวิตนั่นแหละครับสูงสุดของความอดทนคือการที่ไม่ต้องทน ครับพี่น้องฟังถูกแล้วครับสูงสุดของความอดทนคือการไม่ต้องทนหมความว่าไงครับสูงสุดของความอดทนคือการที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยฉันไม่ได้ลำบากผมเจอคนทำงานศาสนาหลายท่านครับหลายท่านนี่คือทำงานแบบหนักมากๆหนั ก, กจนผมผมผมแบบทั้งประทับใจแล้วก็ทั้งรู้สึกแบบว่าเหนื่อยไปไมไม่พักหนห่อยเหรอบางทีก็ไปพูดคุยกับเขาบอกจารย์เนี่ยพักหน่อยไหเนี่ย เขาบอกไงครับผมไม่เหนื่อยเลยคือเรื่องที่เรามองมันเป็นเรื่องหนักที่ต้องอดทนเขากลับไปรู้สึกว่าเขาตั้งทนเขาเข้ารู้สึกมันก็เป็นเรื่องปกติก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอยากให้เอาลออรักก็ทำก็มีความสุขกับมันเหนื่อยกาเดี๋ยวก็หายมันไม่มีเหนื่อยใจอันนี้คือสูงสุดของความอดทนคือการที่ไม่ต้องทนแบบระมาด เพื่อเลากล่าวไงครับจงสั่งใช้คอบครัวของเจ้าให้ละหมาดวัสตอบิสอะไรแหะแล้วก็ต้องสั่งใช้ให้เขามีความอดทนที่จะละหมาดเราเป็นผู้ให้ริสกีเจ้าการละหมาดคนทั่วไปต้องทนไหมต้องทนแต่สูงสุดของความอดทนคือการที่คนที่ละหมาดด้วยใจที่รักอวบวอร์รู้สึกอยากขอบคุณอวบวอร์รู้สึกมีความสุขที่ได้ละหมาด ร, รู้สึกมีเรื่องดีๆอยากจะคุยกับพงค์อยากปรึกษาพงษ์ในปัญหารู้สึกดีอย่างนี้ต้องทนไม่ต้องฝืนไหม ไม่หรอกคนเราเป็นแค่นี้จริงๆพี่น้องเชื่อไหมล่ะพฤติกรรมเดียวกันเนี่ยมุมมองความคิดเป็นตัวกำหนดว่าเราจะชอบหรือเราจะไม่ชอบเราจะง่ายหรือเราจะยากพี่น้องเชื่อไหมอย่างยกตัวอย่างครับเอาเวลาผู้ชายหลงผู้หญิงสักคนผู้ชายหลงชอบผู้หญิงสักคนบ้านผู้หญิงจะอยู่ไกลแค่ไหนจะขับอ้อมแค่ไหน เราให้อยู่กรุงเทพต้องนั่งรถไปเป็นชั่วโมงอาจจะเป็นจากรามเนี่ยจะไปอ่พัฒนาการหรือบางทีไปประชาอุทิศหรือไปที่มันเก็กใจอ่าพี่น้องถ้าเป็นคนที่รักเธอถือว่าเป็นผู้หญิงที่ตัวเองชอบอยู่จนนั้นไปได้ไหมเหนื่อยไหมไม่มีนงหรอกไม่เหนื่อยแบบก้อนเออะไรเอที่เขาบอกว่าจะเป็นพันกิโลพันไมล์เลยฉันก็ไปได้เลยเนี่ย แต่ถ้าเกิดว่าต้องเดินทางไปเพื่อไปเรียนละ่ะหรือเดินทางไปเพื่อไปเยี่ยมญาติเดินทางไปเพื่อทำงานงเห็นไหมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะความเหนื่อยมันไม่เหมือนกันทั้งๆ ท, ที่ไประยะทางเท่ากันต่อให้หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันแต่หนึ่งชั่วโมงอย่างยกตัวอย่างาการใช้เวลาเอาง่ายๆเลยละหมาดกับดูบอลพี่น้องกับคนที่พี่น้องที่ชอบดูบอล ลุกมาตะฮัดยุดเพื่อดูบอลไม่ใช่เรื่องลำบากนริกาบางทีนิกายังไม่ทันดันลุกมาแล้วกลัวพลาดแมตส์สำคัญนั่งดูได้เป็นชั่วโมงนั่งเฮนั่งลั่นอดทนยามตีหนึ่งหนึ่งชั่วโมงกลับลุกมาตะฮัดยุดตีหนึ่งขอแค่ห้านาทีลำบากต่างกันไม่ต่างกันเยอะเลยเพราะใจมันหมีมาว่าตวัวว่า s ซบิสซาบริการ สอบด้วยกับสิ่งที่ใจเราไม่ชอบน่มันหนักหนาเพราะนั้นชีวิตส่วนใหญ่ถูกทดสอบด้านนี้ก็ต้องมีการเตือนกันว่าต้องอดทนนะเวลามีคนมาเตือนเราก็อาไปด่าว่าเขาย้านะครับผมเพราะว่ากล่าวในคุรานครับซาลับกราขวะอัลฮัซิบตุมอันตะเดคุลิมเจนตะเวลาเมตยัติคุณมาดุลลลิบนักรลามุบลิกุมเมสซัตฮุนุลบาซาวะดรรอวะซุนซิลฮัตตะยาคูละรอสุลุลลิบินะอามันูมาฮูมะตาอัสลุบลาอัลาอินนัสุบลฮ เพราะกล่าว่าไงครับพวกเจ้าคิดหรือว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ของพวกเราโดยที่พวกเจ้ายังไม่ถูกทดสอบเหมือนกับที่คนก่อนพวกเจ้าถูกทดสอบมาเขาถูกทดสอบเจอความยากลำบากเจอความทรมานเจอความรัและสายจนกรั่งเขาขันพูดว่าเมื่อไหร่อัลลอ์จะช่วยเราสักทีอันแล้อินอนาาัสลอยกอริพวกนับอกไงครับแต่การช่วยเหลือน่มันใกล้มันอยู่ใกล้แต่เขามองไม่เห็น เขาอาจจะโดนทดสอบด้วยกับเรื่องทรัพย์สินแล้วเขาคิดว่าเราไม่ช่วยเขาสักทีโดยที่เขาลืมมองว่าเราให้เขามีร่างกายเลาให้เขามีลมหายใจแเรายังเมียให้เขามีตามองแล้วยังให้มีร่างกายที่ขยับไปย้ายได้แล้วยังให้มีไสสารพัดแค่เขาพลาดเงินเฉยแค่เขาพลาดสิ่งที่เขาอยากได้แต่มันไม่ได้เฉยเฉหรือแค่เขาได้สิ่งที่เขาไม่ต้องการเขาก็หลงลืมความเมตตาของเราเขาก็ลืมว่าเาคอยช่วยเหลือมากกว่าที่เขาคิด เสียอีกอาลาอินน่นาสรัลลอฮิคาริบครับพ่อนพี่น้องที่รักทครับวันตวสบิสบถต้องสั่งใช้ตักเตือนกันให้มีเรื่องของการอดทนครับผมสำหรับวันนี้นะครับน่าจะเด็กแล้วนะครับผมเรามีเด็กน้อยหลายคนแล้วก็บางคนหลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างลูกสาวผมนี่ไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องข้าดับิเม่ทักเออย คุณรัสมีคับให้กำลังใจมาจากซาคุล้อแครงครับผมแล้วก็คุณนักนะครับบอกว่าเตือนยากเตือนไม่ได้เดนว่ารับหลังโดนกันทุกคนแหละครับพี่น้องพี่น้องเวลาที่พี่น้องโดนเตือนรับหลังเดนด่ารับหลังหรือว่าโดนด่าต่อหน้าก็ตามนะพี่น้องผมให้กําลังใจนิดหนึ่งให้กําลังใจตัวผมกับพี่น้องขนาดคนที่ดีกว่าเราอย่างทั้นอบีมุฮามัตส์ลบรหองอะเลวะซาลัมก็ยังโดนด่าว่ารับหลังยังโดนนินทารับหลังยังโดนสาบ แช่งรับหลังพี่น้องคิดดูนั่นคือดีที่สุดในปัตถภีแล้วพี่น้องถ้าเรบีมองสโลลองลอะไรเวสลัมเพราะฉะนั้นทำใจให้สบายถ้าเราโดนด่าว่าถ้าเราโดนนินทารับหลังโดนสาบแช่งรับหลังเพราะเราทำความดีเพราะเราทำสิ่งที่ถูกต้องในรูปแบบที่อัลลอฮ์รักพี่น้องไม่ต้องไปแคร์ใครแล้ว หนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีย้ากับซาบะก็คืออัลเลต้าโคซูฟิลละฮิเามัตเลาอิมอย่าได้ไปสนใจคําคาราหานินทาของคนที่ปากปีจ่ออันนี้ผมแปลเวอร์ชันไทยนะแัลเลต้าโคซูฟิลละฮิเลมัตเลาอิมคือหน้าที่เตือนเราก็เตือนของเราไปเตือนแบบมารยาทอิสลามเตือนแบบดีที่สุดเขารับฟังอัลฮามดูลิละเขาไม่รับฟังระหว่างเขากับบอลล์เราไม่เกี่ยวแต่ถ้าพี่น้องไม่เตือนเขาก็ไม่มีทางเปลี่ยนถูกไหม อย่างน้อยก็เตือนอาจจะมีโอกาสอาจจะห้าสิบเปอร์เซ็นอาจจะเป็นหนึ่เปอร์เซ็นกีเ่เปอร์เนพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสเหมือนกับอย่างท่านอูมัรเนี่ยซอบาหลายหลายคนบอกเลยว่าไม่มีทางเข้ารับอิสลามคือศูนเปอร์เซ็นเลยพี่น้องคิดง่ า, งายๆบรรดาซอบายุก่อนเมื่อคิดถึงท่านอุมาระยออัลลอฮฺอั น, อนุก่อนจะเข้ารับอิสลามแต่ถ้าท่านมองเลยว่าศุนนักขอขอภัยนะครับ สุนัขเข้ารับอิสลามเนี่ยการมาให้หมาเนี่ยเข้ารับอิสลามเนี่ยยังมีโอกาสมากกว่าที่ท่านอุ ม, มัตจะเข้ารับอิสลามถึงขั้นขนาดนั้ น, นพี่น้องคิดกันขนาดนั้นแต่ก็ระมวลมาชา่แต่ถ้าพระเจ้าใหเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นผลสุดท้ายท่านอุ ม, มัตก็เข้ารับอิสลามเหมที่เรารู้แล้วก็เป็นสหายอาวุโสเป็นขอลีฟ้าที่อัลลอฮ์รักอิดต่างหากขอลีฟ้าอันดับสองอีกต่างหากจากคนที่ใครๆก็มองว่าไม่น่าจะเข้ารับอิสลามดังนั้นพี่น้อง ผมก็เคยเจอหลายๆท่านก็เคยเจอคือบางทีเราพูดแล้บในใจเราเหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับยกธงแล้วเราคิดว่า ม, มัคงมีประโยชน์แต่เราก็พูดไปตามหน้าที่แต่บางทีเราเจอว่าเขาดันฟังอ่ะบางทีเขาปฏิบัติแต่บางทีตอนนั้นเขายังไม่ได้คิดอาจจะผ่านปีอีกหนึ่งปีผ่านปอีกห้าปีผ่านปีอีกสิบ ป, ปีเขาได้ฉุก ค, คิดเราได้ทําแล้วอย่าลืมหน้าที่ของเราคือเราทําผลอยู่ที่อัลลอฮฺผลจะเป็นตามที่เราหวัง หรือไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังเราจะได้ตอบแทนจากพฤติกรรมที่เราทําเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับผมเตือนในส่วนที่เราเตือ น, นได้ครับเขารับฟังไม่รับฟังก็ขอดูอาจากเขาไล่กับเขาอย่าไปดูอาสาบแช่งนะเอาล้อเปิดใจเขาด้วยแล้วก็เปิดใจฉันด้วยขออะไรให้ใครขอให้ตัวเองด้วยไม่ต้องกลัวขอดีๆถ้าเกิดมีใครมาว่าพี่น้องบอกขอล้อนำทางคุณบางทีภาษาหลับคำํำแตะแรงๆก็คืออรายาดีใช้เป็นกิริยา มูดาลนแสดงให้รู้ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่เมตตาคุณขอเราเมตตาคุณสักกี่เป็นคาําด่าสำหรับอาราตือเป็นคาําด่าแต่สำหรับมุสลิมถ้าฟังมันไม่ได้แรงอะไรเลยเอาลอยยาอีกอใช่ขอเราทาทางฉันในสิ่งที่ฉันไม่รู้แล้วก็พูดเลยไม่ต้องไปด่าว่าอะไรเขาแล้วก็บอกว่าอาเมนอาเมนจบประเด็นจบไหมมันเป็นดูอาฉันไม่เป็นดูอาความหมายดีไม่ไ่้ดีแล้วก็ขอไห้ครับแล้วก็ขอให้ได้ตามนั้นครับเพราะนั้นพี่น้องชีพมันคือบททดสอบแหละ อดทนแล้วก็อดทนแล้วก็อดทนไม่มีเรื่องไหนที่เราไม่ต้องอดทนนะทําความดีก็ต้องอดทนจะทําความชั่วมันก็ต้องทนเนี่ยพี่น้องไม่มีเรื่องไหนที่มันไม่ต้องทนนะเพราะฉะนั้นฝรั่งก็จะไม่ปีนป่ายหนทางที่ยากลําบากเพื่อเอาวะ หรือว่าเพื่อตัวเราแค่นั้นหรือครับผมสำหรับวันนี้แค่นี้ครับกินกับเวลาในระดับหนึ่งก็ขอดี๋ยจับพลัสสุปหานัวตาลานะครับในสถานการณ์ในโลกปัจจุบันในบททดสอบที่มันถาถมในพิษราที่มันมากมาย ทั้งในเรื่องของโควิดทั้งในเรื่องของอะไรก็ตามแต่ขอให้ดูแจากพระลอสุบภานวาตลานั้นให้เราเป็นหนึ่งในผู้ที่รู้คุณต่อพระองค์ลอให้เรารักให้เราศรัทธาต่อพระองค์ให้เรานั้นยอมจำนนต่อพระลอสนั้นอย่างแท้จริงให้เราเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดให้เราออกห่างจากมันให้เราเห็นสิ่งที่ถูกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกให้เรากระทำมันได้แล้วก็ขอให้เรานั้นรักพระลอสรักการงานใดก็ตามที่ทําแล้วลอสจะรักเราแล้วก็รักผู้ใดก็ตามที่รักพระองค์แล้วพระองค์ก็รักเขาขอใใหห้้้พองนนัสสิ่่่ททีีีดดุ กับพวกเราในดุนยาแล้วก็ขอพวกเรานั้นให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพวกเราทุกคนในวันเกียรแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นรอดพ้นจากการถูกลงโทษในหลุงฝังศพแล้วก็ในไฟนรกด้วยเถิดครับผมอาเมนครับอกุลฮวัสักลาฮาลิวลุมาลมุสลิมนคลิดัมวัสักฟอินูวลกฟูซุบฮัลลอฮฮัมดิะอัชฮะุลลลาันตอัสักฟจ่วะตูบุไลฮัจนกว่าจะพบกันนครัต่อไปอินชาอัลล์ครับมอลัยกุม ขอพร a เจ้าอวยพรแะทรงรุ